โอ้ลงตาเห็นลูกหลานแล้วก็สบายใจแล้วก็ถึงยังไงหลวงตาเนี่ยมอบให้ลูกหลานเนะเป็นคนดีเนะีตั้งใจเรียนหนังสือนะั้นลูกหลานเนะ่แต่หลวงตาเนี่ยเมื่อก้เนี่ยก็มีพระเมื่อวานน่งพระลาศิขาไปสององค์ที่พระนวะ ก, กะที่เรียนจบแล้วยังไม่ได้ทำงาน มาบวชก่อนพ่อให้มาบวชพ่อเนี่เป็นรองคณะบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีนครินทร์ลูกชายกระจบเส์ปริยโทเพศสศัตของมหิดลจากนั้นก็จะทำงานแล้วก็บวชก่อนบวชให้พ่อให้แม่ก่อนพอบวชจึกเมื่อวานนี่ก็คงจะไปทำงาน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 จะเข้าจุฬาได้มั่นใจครับออมั่นใจครับออถ้าหาว่าไม่เข้าจุฬาเขาคงจะไปออกไปเรียนต่างประเทศพร้อมที่จะไปต่างประเทศไปเรียนจากในต่างประเทศครับนี่แหละหลวงพ่อได้ยินแล้วก็เด็กหนุ่มออมีความตั้งใจอย่างหลวงพ่อก็เน้นดาว่า พวกเรานะทั้งสองคนนะที่มาได้มาศึกษากที่วัดหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อขอบินทบาทอย่างหนึ่งคืออย่างสุดๆก็คืออย่าถ้าเป็นไปได้อย่าไปดื่มสุราเพราะดื่มสุราเนี่ยทำให้ขาดสติคนที่ขาดสติแล้วไม่สำนึกผิดไม่สำนึกดีไม่เห็นดีไม่เห็นชั่วเพราะมันคนขาดสติ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 ชุมชนของเขาเขาก็ดูถูกเราอีกเพราะนั้นการดื่มสุราที่ให้มึนเมาไม่เป็นผลดีน ะ, ะลูกหลานนะอันนี้หลวงพ่อโดยมากหลว ง, งตาจะให้แนวความคิดสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาในวัดของหลวงตานะว่าให้ลูกหลานได้ฟังฟังเอาไว้นะลูกหลานนะสิ่งที่เป็นยาเสพติดทั้งหลาย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 ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มามาตํารวจก็เลยตรวจตรวจก็เพื่อนคนนั้นก็อได้ยาเสพติดพวกยาม้าก็เลยผมลูกชายผมซ้อนมาด้วยเขาก็เลยจับไปด้วยกันอยากจะให้หลวงพ่อไปพูดกับเจ้านายให้ด้วยจับตารวจให้ด้วยที่หลวงพ่อมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่หลวงพ่อโอ้ย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 เราไม่เก่งภาษา เ, เมื่อเขาติดต่อเจ้านาย เ, เมืองนอกมาอย่างไรเราก็ต้องรับกินน้ำไหลสอกของเขาหนะอ่อยน้ำหย่อยสอกภาษาบ้านเฮานะนี่แหละเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้เรื่องออภาษาเนี่ยให้ลูกหลานใส่ใจสักหน่อยหลวงพ่อว่านะเออ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 จำโมดนักเรียนก็เหมือนกันแต่จำโมดว่ า, าภาษาอังกฤษของเราเนี่ยมันอ่อนเราไปไปดูดูในด i c ช i o n a รีของเราแน้่เราก็จดเลยคำในศัพท์นี้ศัพที่มันยากๆปากปกาเมจิกเขียนใส่กระดาษ a อซเขียนใส่แล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษสารนันกติดไว้ในห้องนอน เ, อ เ, อเราไปก็นอนเราก็เห็นเลยนะ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 ถ้าตัวเองตัวจำได้หมดแล้วตัวนั้นฉีงออกเอาตัวอื่นติดเกนี่แหละอันนี้ก็คือเรียนภาษาภาษาโดยที่ใช้ใช้แนวความคิดเพื่อช่วยความจำของเราหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นะลูกหลานไปทดลองดูนะ้าทัพ์นี่เขาได้ดอกเตอร์มาหลายคนเลยดอกเตอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าผมเรียนหนังสือไม่เก่งครับ แต่ว่าผมใช้เนี่ยใช้อย่างนี้แเอซเนี่ยเขียนเขียนขนเขียนสับไหนสไหนภาษาอังกฤษติดไว้ในห้องพอเราจะนอนแล้วก็ตื่นเอ๊ะวันนี้สับไหนที่เราเที่จำไ ม, ไม่ได้ชัดหรือใช้ภาษายัางไงคำนี้เราก็อ่านอ่านดูเสร็จแล้วเราก็มันก็จำได้เองเอผมไปเรียนถึงเป็นด็อกเตอร์จบมาจากอเมริกาเลยนี่แหละ วิธีการเบื้องต้นที่ผมเรียนภาษาอังกฤษหนะลวงพ่อฟังฟังแล้วหลวงพ่อก็ได้นำแนวความคิดของท่านนั้นนะ่ะมาบอกกล่าวให้ลูกให้หลานได้ศึกษาหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะเพราะหลวงพ่อเองสั์ไหนที่หลวงพ่ออ่านในบาลีใช่สั์บาลีที่มันพูดยากๆนี่แปลวาจัยนี่หลวงพ่อจะเขียนเศีกระดาษติดในย่ามไปด้วย ติดที่เรามองเห็นได้ไง่ายๆพอนั้เราก็เอามาแล้วก็ดูพอได้สวดมากกติดตาติดใจรู้สับคาพูดภาษาบาลีอย่างนี้แต่หลวงพ่อหลวงตาเองไม่ได้เรียนภาษาข้างนอกนั้นไม่ได้เรียนภาษาอังกรษหลว ง, ง, งตาไม่ได้เรียนเรียนแต่เรื่องภาษาบาลีภาษาไทยภาษาบาลีสับไหนที่ออกมายังไง หลวงตาเลียดแต่ทางนี้แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อมาถึงจุดนี้หลวงพ่อก็นึกเสียดายเหมือนกันนะลูกหลานนะนึกเสียดายสมัยสมัยก่อนหลวงตาเนี่ยไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดวัดป่าบ้านตาดวัดหลวงตามหาบัวนะ่ะจะได้มีพระฝรั่งเข้ามาเยอะสมัยนั้นอนะสมัย2 5ง2 1 3ห้าอยนี้พระฝรัง่งพระฝรัง่งเออเขามาเขาก็ไม่รู้ภาษาไทยเหมือนกัน แต่เราก็ไม่ช่ปไม่รลบภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่เด็กเขาก็มาเรียนมาเรียนภาษาไทยกับเราใช่ไหเราก็สอนให้เขาว่าสั์นี่ว่าอย่างไงเขาก็จดเขาก็เรียนแต่ลุงพ่อที่แรกก็เรียนเหมือนกันนะทำท่าจะเรียนมันทำท่าจะเรียนเรียนกับเขากับพ่อฝรั่งโดยมากฝ ร, รั่งแก่ๆเนะี่ยอายุมากๆสี่สห้าสิปีเนี่ยนะภาษาท่านไม่กระดิก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 ในใจของหลวงพ่อก็เลยต่อต้านขึ้นมาเฮ้ยเรามาเราไม่ได้มาเรียนภาษานี่วะเรามาเรียนธรรมะเรามาภาวนาปฏิบัติ เ, เราจะมายุ่งกับภาษาทำไมวะจากนั้นก็เลยตัดทิ้งเลยไม่เรียนภาษาเรียนยูยก็พู ด, พ ด, พดปๆปปะปายไปอย่างนั้นะกับฝ ร, รังรร่งเพราฝรั่งตั้งหกเจ็ดแปดองค์ในวัดใช่ไหมล่ะพระไทยก็มียงห้าหองท่านเองนะ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 นี่นแหละพ่อแม่เนี่ยเป็นอาจารย์คนแรกเรียกว่าเป็นบุพกาจารีเรียกว่าเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่นกอนลูกพวกเราเป็นลูกของท่านเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศุลปราพฤตรตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว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 ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราคิดดูสิเราจะฉลาดไหมเราจะรู้เรื่องภาษาไหมเราจะรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีไหมไม่มีเพราะเราไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์คือเหมือนกับคนเราเนะี่ยยืนอยู่อย่างพ่อหลวงพ่อนั่งทิศเบื้องหน้าใช่ไหมพ่อแม่ใช่มทิศเบื้องหลังสามีภรรยา เพืเบื้องขวาครูบาอาจารย์ถ้าหาว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราจะเฉลียวฉลาดได้ยังไง เ, เพราะนั้นท่านบอกให้เคารพครูบาอาจารย์ที่เราเป็นสิทธิเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาในวงการในพวกเรากำลังสนทนากันอยู่เห็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาเดินเข้ามาให้ลุกขึ้นยืนรับลุกขึ้นยืนรับเข้าไปขอยรับใช้ด้วยเชื่อฟัง้วยอุปถัมภ์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 ต้องเกื้อกูลหนุนเขาดูแลเขาให้ดีถ้าว่าเราไม่ดูแลลูกน้องให้ดีลูกน้องนั่นะจะเป็นพิษเป็นภยัยเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะเหตุอะไรเพราะลูกน้องไม่ดีเราไม่ได้ให้ความใส่ใจกับลูกน้องนั่แหละลูกน้องบริวารก็จำเป็นสำคัญว่าทิดเบื้องต่ำเบาวทิดเบื้องบนสมณะพรามสมณะพรามเนี่ยคืออย่างหลวงตาเนี่ยเป็นสมณะพราม ลูกหลานเข้ามาหลวงตาก็บอกเอยลูกหลานนะเนอยอย่างนี้มันดีนะอย่างนี้มันไม่ดีนะอย่างหลวงตาบอกว่าอย่าไปกินเหล้าเนอะลูกหลานเนอะคาพูดทีแรกอย่าไปติดยาเสพติดเนอะลูกหลานนะเนอแล้วก็ให้เรียนภาษาเนอะอีกไม่กี่วันข้างหน้าประชาคมอาเซียนจะเข้ามาหาประเทศเราแล้วนะให้ลูกหลานตั้งใจเรียนหนังสือนอเน้นภาษาอังกฤษนะลูกหลานเนอะเนี่แหละคือสัมมนาผ่าม อย่างหลวงตาจะแนะทาสั่งสอนลูกหลานจากนั้นก็ให้เคารพในทิศทั้งหนะลูกหลานเนอที่ทิศทั้งหเนี่ยทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศทิศที่หนึ่งะทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศที่สองเออทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ก็ทิศเบื้องสทิศเบื้องซ้ายหมู่มิตรสหายหมู่เพื่อนทิศเบื้องสทิศเบื้องหน้าลูกน้องบริวาร คนรับใช้คนงานอันนี้คิดทิดเบือเบ้องหทิฏเบื้องหกก็คือส ม, มณพรามณ์ส ม, มณพราหมณ์กว่าอย่างหลวงตาเนี่ยนะแนะนำบอกกลา่าวลูกหลานให้เป็นคนดีนะลูกหลานนะอย่าเป็นคนที่มันไม่ดีปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้อย่าไปเล่นเกมมากอย่าไปติดเกมแต่ก็ให้เล่นบ้างแต่อย่าไปให้จะให้ถึงกับติดทาให้คน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 กรุงพหลนรีคือพระเจ้าแผ่นดินยุคสมัยนั้นเขาจะต้องเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าเป็นพาหนะเพื่อจะเล้าเข้าสู่ศึกสงครามศึกสงครามมันต้องได้ใช้ม้าม้าก็ม้าเร็วใช่ไหมช้างเนี่ยก็เป็นขุนศึกที่เข้าไปขัดประหารกันเหมือนกับพระนเรศวรอย่างนั้นแหละทีนี้ก็เขาก็เลี้ยงช้างเลี้ยงม้าแต่ม้าพระราชาเนี่ยกัเป็นม้าที่เลือกคัดสรรอย่างดีที่สุด รอบรู้ฉลาดตัวย่อยฝีมือฝีเท้าเก่งอย่างนี้แหละเขาเ็าเลือกขันไว้เป็นมา้าพราชาเป็นม้าทรงของพราชาเนี่ยแต่เด้เขาก็เอาคนเอาคนเลี้ยงม้าอีกที่ใส่ใจเลี้ยงมา้าดูแลมา้าใครๆว่าเป็นจัตแพทย์ในตัวอย่างนั้นแหละดูแลม้าให้ดีที่สดุดแต่เด้กก็ คนคนนั้นก็ดูแลม้าของปราชาต่อไปเนะี่ยเขาไม่สบายเขาก็เลยลาออกมาเนี่พอเห็นลาออกเนี่ยเขาก็เลยเขาว่าใครจะเป็นคนเลี้ยงม้าอีกต่อไปเขาก็เลยนายนี้แหละ เ, เป็นผู้เชี่ยวฉลาดเป็นดูแลเกี่ยวกับรู้จักเรื่องเรื่องของม้าด้วยลักษณะเป็นสัตวแพทย์ด้วยลักษณะอย่างนั้นแหละแต่อันี้บุคลิกไม่ดี บุคลิกไม่ได้คือเป็นคนค้าเป๋วนไปอันนี้เป็นคนค้าเป๋คนที่สองเนี่ยต่อมาเนี่ยก็เวลาจะเดินจะเดินเอาม้าออกไปกินหญ้าใช่ไหมมันก็เดินนําหน้าม้าใช่ไหมมันก็แผลกแผลกเล็กไปเลยอย่างเงี้ยขาเป๋ใช่ไหมคนขาเป๋เดินเนี่ยเวลาจะเอาไปกินหญ้าเอาไปกินน้ําเอาไปอาบน้ําเดินนาหน้าม้าใช่ไหมก็ค้าเป๋แผลกเลกแผกเลกไปอย่างเงี ต่อไปม้าตอนนี้มันก็คิดว่าเอ๊ะเจ้านายของเราเนี่ยคงอยากจะให้เราเดินอย่างนี้ก็มั้งเนี่ม้าตอนนั้นก็เลยเดินต่อไปประมาณม้าก็ได้ทําเดินไปแขกแขกแเหมือนกันนี่เออเหมือนกับเหมือนกับไอ้อนายเลี้ยงของมันเหมั้นกันทีนี้ก็มา้าท่านเดินสามขาแขกแรงแขกแรงเห่าม้าพราชาเดินอย่างนี้มันได้อย่างไงใช่ไหมล่ะเออม้าส่งของพราชา พระราชาเอาบ้าของเราทําไมมันเดินอย่างนี้วะเดินสามขาแผลกๆแผลกแหลกหนึ่งนี่จากนั้นก็เอาจัตตแพทย์มาตรวจเอาศาสตาญาณเอาศาสาราญาณศาสตราศาสตรแพทย์ม า, า, า, า, า, า, า, ม, ามาก็มาตรวจมาดึงขามาจับเขามาตีดมาดูเล็บมาดูอะไรก็ไม่มีอะไรผิดปกติมันก็อย่างเก่าหมดทีนี้นก็ เอ๊มันจะควรจะเป็นจิตแพทย์มั้งเอาเอาจิตแพทย์มาสวมสัตแพทย์มานั่งดูพอมานั่งดูจะ น, นี่พระเจ้าแผ่นดินท่านมีเอ๊ะปรลภิตตาจานเนี่ยปรลภิตตาจารนตตาาคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับองค์ข้ามนตรีทุกวันนี่แหละเปรียบเทียบนะเป็นโปรโลภิตตาจารย์เป็นอาจารย์ของพระราชาคล้ายพระราชามีเรื่องเล่าอะไรเกิดขึ้นโปรโลภิตตาจารย์จะ เป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวเป็นผู้ให้ความคิดแนะนําเป็นผู้รอบรู้ะขันต์อาหาผู้ที่มีความรู้นะ่ะมาทีเป็นที่ปรึกษาทีนี้นท่านก็เอาโปรยหิตตายจานมาหลายหายท่านมาก็ไอหมาของเราเนี่ยทำไมเนี่ยพมกหาเป็นม้าปราาชาใช่ไหมพระหมาเข้าศึกสงครามเนี่ยจะไปเดินเคเล็กเพกเคล็กเพกยังไม่ได้ยังไงใช่ไหมเออ ต่นนี้บโรหิตตายจารกัลมานั่งดูสังเกตสังเกตสังกาต่างคนกับต่างสังเกตใครเราแต่ในบุโุษหิตตายจารคนหนึ่งท่านฉลาดท่างบอกเอ๊ะกระผมขอขอดูขอดูอีสักวันเป็นส่วนตัวเลยก็ให้ท่านดูพอดูเสร็จแล้วท่านก็ บ, บอกเอ๊ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอเปลี่ยนเปลี่ยนคนเลี้ยงม้านี่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 เดินแบบผายผึงผายองค์อาจมาดูแลชะชะมาตัวนี้ทดลองดูสิสักเดือนหนึ่งเออพระาชาเอออาใช่อนุมั ต, ตมิแต่นั้นก็เอาบุรุษที่ว่าเนอะเดินองค์อาจกล้าหาญแบบส ม, มารถเหมือนกันเถอะเออพาชะมาตอนนั้นไปกินหญ้า ก, กินน้ำเออพอม้าตอนนั้นเห็น เนี่ลูกพี่มันเดินสมาร์ทมันก็เดินสมาร์ทตามใช่ไหมอลไรทีนี้ม้าตานั้นก็เลยหายจากขากระเพกไงนี่แหละเออจากนั้นก็เล ย, ย, เเลเลยตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็เลยให้คนนั้นดูแลม้าต่อไปนั่นแหละพระพุทธเจ้าทว่านะภิกษุทั้งหลายการครบค้าสมาคมกับผู้ใดกับใครก็ตามถ้าคบกับคนใด จะเป็นเช่นคนนั้นแหละนี่แหละให้ฟังไว้นะลูกหลานนะขนาดม้า ก, ก็ยังคบกับคนขาเพกยังขาเพกไปตามใช่ไหมเพราะนั้นลูกหลานเวลาจะคบค้าจะมาคมกับใครต้องรู้ซะ ก, ก่อนนะถ้าคบกับคนไม่ดีลูกหลานจะจะกลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยนะถ้าคบกับคนดีลูกหลานจะเป็นคนดีนะวพราะนั้นลูกหลานเนะี่ยเลือกคบนะลูกหลานนะาการ พูดการกล่าวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลานั้นแล้วลูกลานนะเดี๋ยวลงตาจะให้พรเพื่อเป็นสิริเป็นมงคล น, นั้นลูกลานเนะ้อ